คำว่าถ้าไม่ฟังคือถ้าไม่สลาดกรรมชั่วถ้าไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนถือเพศคือแต่งตัวแบบบรรพชิตเป็นต้นทุนละใจโทษอ้วนโทษหยาบบรรดาอาบัตที่เป็นเทศนาคามินี อาบัตนี้ใหญ่หรือหยาบ ก, กว่าอย่างอื่นไถยาจิตคือจิตคิดจะลักจิตคิดถือเอาของที่เจ้าของไม่อนุ ญ, ญาตให้ด้วยการแห่งโจรทายกคือผู้ให้เป็นคำกลางหมายถึงบุคคลหรือชนผู้ให้ทั่วไปก็ได้ถ้าแยกเพศ ทายกคือชายผู้ให้ทายิกาคือหญิงผู้ให้ทมนิมิตจากหน้า37คือทำเครื่องหมายด้วยกายวิการคือด้วยลักษณะากายที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติทมภูมิคือทำท่าสง่าผ่าเผยทำท่าโอโถงทำท่าองอาจ ทำท่าให้สวยงามทุกกฎทำชั่วทำผิดเล็กๆน้อยๆทางพระวินัยทุกทุนลาบัตอาบัตชั่วหยาบโดยโทษมีโทษมากทุกภาศิทธคือพูดไม่ดีในพระวินัยหมายเอาพูดล้อเล่น กระทบชาติกำเนิดเป็นต้นซึ่งเป็นคำมนหมองนักปราตีเตียนทูตคือผู้รับใช้ไปเจรจาแทนเทศนาคามินีอาบัต ท, ที่ภิกษุต้องเข้าแล้วจะพ้นได้ด้วยการแสดงโดยไม่ต้องอยู่กรรมเที่ยวสือ่อ คือชักนำให้เขาได้กันชักนำให้รู้จักกันหรือทาการติดต่อให้ถึงกันธรณีสงคือที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของสงฆ์ธรรมเทศนาปฏิสังยุต์คือข้อวัดปฏิบัติที่พึงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมธรรมพิเศษ คือทำชั้นสูงในพระพุทธศาสนาได้แก่มรรคผลนิพพาน